ทันะเดือดการมาผิ้ขันนี้ตนไม่เยอมีอรต่กินว่อทางมันเยอะตอนผู้ขันสเรเป็นพระพุทธเจ่าแล้วเดือเต้นก่อนผู้ขันยังไม่สำเร็จแต่าำไปเพื่ออยากรันซ่าในพระไทยของท่านตอนมาผู้ขันนตอนไม่เยอความหมกหมุน อมกขึ้นทํากบเคยอยู่มาแล้วนสาระจสนุกสนานเดี๋วรเดี๋ยวเสียงดยวิ่นดว่าต้องับในเมืใครในสมัยตะวันตกลกจะตัดองค์ใจะมีบริษัทบริวามีขนมมากเท่าต้อัคิั้กำลังตารางตาวันมี้กหมื่นคน ไปเลยเราเพียงคนเดียวแถวนันไปย้ายติดพันกันบินไม่ออกควบินดีหข่งๆตึงกันแล้วกันแต่พระพุทเจาท่านมีสัมปชัญญะแต่ยอมเสียสลากไปบ้างอู่กับนายอัจฉริย์พ่อพนหนึ่งจิตวค่นวายงไหลในตามมรร เขาตองถืออาวุของขันตเดิดที่ม่เป็ควมเสบวกตัวรือยูหญ่คือต้าคือไม่ใช่อุเดือดอตเดือดเบร่าเบี่ยสัล้วเสี่ยงเกี่ยวกักก บ, กออบกินุษย์อายุยังหนุ น, น, นแน่นฐานแน่แน่สิ่เป็นประสาทสิขขงท่งคนเกี่ยวปจพอใจยินดีถือว่เป็นความมนกุกย์ปส ยึูกเวลาที่เป็นพลว่ตเวลาเป็นการจัดกรีไทยตี่จะตันหนุท่านกดตกต้องปกครองใส่าใส่ตาจนในดีอย่างนั้นอย่างนี้ในวิถตันหนทำตามาที่ของท่านขยายให้ลงเกี่ไปเสมไปใ้่ตาไปตาจนยินดี แต่ที่นี้ไปท่านดิดตามันใกอ0 0ท่านถึงท่นเป็นคู้หลักคู้ใหญ่เป็นราชาูอะไรตัดอะไรออกไปจะมีคนช่อยเหลือความตาพวกออกไปรับตงออกไปถัาที่จะาภายใน ถึงมีอันาจระดับขนาดนี้เราเอื้งจะหักห้ามความแย่ความเจ็บความตายหักห้านเราได้พาเราเปลี่ยนไปคนอื่นถือเป็นบริบัิบริการให้เราปล่ยนไ่อยากให้เขาแย่เขาเป็บเ้าตายไหห้ามเราได้พันยึดยกขมือขยายนี่มือแย่มือเจ็บมือตายซ้ำมือแย่มือเจ็บมือตายจะมีไหม โลกอันนี้มีเลือดแต่ยังมีฟ้ามีร้อนแต่ยังมีหนาวเป็นเกีวกับแต่างอย่าความแก่ความเจอบความตานั้นจะมีมอะไรแก่ความแก่ความเจบความตายอาหรือค่านชีวิตที่จะมาถ่ายเอภาพถ่ายของขั้นเราจะเห็นว่าตามอยู่ของอะไรว่าในป่าแม่ ที่จะที่ไม่ที่จมาเห็นเห็น จ, จ, จริงได้เพราะแม้ที่การ ง, งานรับผิดชอบมากขาดอยู่ไปต่อมีทางที่จะรู้จะข้ใจมีทางเรียวที่ทางออกบวกที่เรื่องตะโกนนั้นซึ่ง ม, มัรับผิดชอบอะไรท้ายน้า จะต้องโอกาสเวลาคิดอ่านในบ้านนี้ในบ้ากทานจึงตัดถึงทัดไท่ออกไปที่หมดจดก่อนในเวลาทันมือคนวางเกียร์แผไหลสายตรงออกไปสมัดพัดไถ่ของบรเวณๆวียไตโดยไม่ได้บอกรักฟังพัดไถ่ หายหาบหายวงพระดบดีานมันดานแต่ละถึถ่ายฟ้าทำเมรินเสกบ่อขัยออกไปที่เนี้อสุกอมออกไปแล้วก่อนต่ลกเขื่อนแต่ละหนึ่งพมขาดสครับที่เป็นเม็ดหยอดี๋ยวแล้วต่ต่างหน้าต่างตาหนึ่งเซนต์ก็ไ้สุกตา ในสมัยนั้นเขาหล่อรีกันว่ามีมีสีสองท่านคืออาราดาบกและอิปตาดาบกมีคนยังคนชอบมากหรือว่าท่าทั้งสองนั้นเป็นชาอารหัน เรื่องเลยจนจบความรู้ของอาจารย์ทั้ต่องหลักฐานสมาหลักแปดที่ศึกษายอยู่นั้นท่านทราบดีว่าสมาดักนี้เนือนหุ้ทับยากเวลาเข้าสมาหักที่ยวกับปัหามันเป็นกแสดงตัวแต่เวลาออกจากสมาหลักมาที่ยวกับปัหา มันก็ตอบใจอีกเหมือนไอ้หนิยักหนิย์ออกอยามันก็โตขึ้นได้งอกขึ้นไดน้มักิทางตัดเส้นขาดทะเลล่าอาจารย์ทั้งสองหนิย์แต่ระยะที่ท่านติดตาจบแล้วลาไปจะลาไปนั้นอาจารย์ทั้งสองอ่านมร อ, อยากยังให้ท่านอยู่แม่สอนโตติดต่อไัเพท่าน แต่ถ้าองค์ขันยันอยู่หรือออกไปความทุกข์แ่วัตทไปทุกสิ่งทุกอย่างจนตลอดไปตอนนันแต่คืตอนที่ทำากข์แต่วิตได้มากเท่าไรคนนั้นจะมีอยู่ทางที่จะตัดสิได้คือความเย็นสงบหรือวากาจปฏิบัต แต่ชีวิตว่างส่งท้าทารคนนั้นแหละเป็นผู้ที่เลือกู้เปนเจตไม่ยอบจบบางย่างนั้ น, นท่านก็รทำไปมันจะเป็นความจริงควา่แฉไหนดูเพราะไห ล, ล้กันว่าทาผู้ไป่ชีวิตวานั้นเงินตามมาดูจะทำเจตปัญหาเกิดห า, าจะได้ทำทำไปอดนอนส่นอาหารทกบาท้านทำไปจน ห่างตาต้องชันจูบหอมเลียจนังปุ่มกระดูาา ก, ดนน ก, ดกแถ น, น, น, นั้นเงี่ยหายไปเพราะอ่าอาหารหลันอนตันแต่รักตี่ออกไปเบียดก่อนคอยเต่าจะตื้นแบบคอยสั่งเนนจำลาคิทามบาทหินเป็กจิ้มตะกุจ้ารออัญญาเป็นรัญญาเป็นห้วแน่ รลบวอู่องพานอยู่ไปทำงานไปรับจ้างท้องันติดตามบอกไปเบียดเดียวกันออกเบียดค่อนทั้งพุทธเจ้าแต่เบียดเป็นรูปสีคอยเข้าเมื่อใดพนตัดสิ้นแล้วก็จะได้รับคำจากท่านเสี่มั่นว่าท่านจะตกเป็นพ้าอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากินจันจึงออกไปเบียดก่อนเพราะอะไร้าวว่าท่านไปตามทุกไายวิญญาก์ไปตามไป มันเป็นประลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอจากทุกข์ตายทุกขเกัดคว้มเล่เลื่อยๆางปากนะทางดูความที่ฐานตัดจิตใจวะถ้าอินลำน ต, ต, นนตีนสามสายมาดูถทงกุโต้ดู ฟ้าดิบมันก็ขาดมาเด็กินเสียงอะไรฟ้าดิบดนาายนันาเสีนไปดิบเสียงมันก็ึังแต่ว่าอะไรให้แต่สายตายดิบไเสียงสล็อ ต, ตไม่านิ่ทานบุคลาที่ฐานทัายอาไว้ต้ยินน้ำยินานต า, มต า, ตายมา ดูพยายาดูแต่คว า, า, ามจริงวามตรรมพื้่ฐานพราต้องจ่ายแผ่นจัรนาายอนุเจตระนาจในวันตาต้อ็ตาไปต่อได้อะไรคุณ่าพสารเข้ามาแล้ว่า่เอดนอนพอนอาหารมากขนาดนี้ เ, เ, เ, เปน็นกระโดสกระไหลเราจะยงมเกิดความยินดีพอใแล้ว ความรู้ความสะาของเราอะไรนะที่เรื่องปัญหาที่มีในใจมันเกิดมีอะไรตะโนออกมาความดันยังขวบชักจุดใจของตัวดยู่้าองค์ส่งเสวยอาหารถ้าเสวยอาหารจะจัว่าคืคือคอยเต้าอุปถาอ่างนั้นเลยหรือว่าที่พระธาตุจุฬา ความเลี่ยนเรียนนะเปลตามมากมากเรายอุปการ็มนี้เพราะว่ามีทางจะไปรื้อได้แต่ความความเปลี่ยนจะย้อนแย้งตาขนาดนั้นก็ยังร้นตลาดอะไรเพราะว่าหนูตายมันจะมีโอกาสเวลาที่จะเดีวภาวนาจะมีใครมายื่นเกี่ยววีดีอเดี่ยวอาจเปียนเป็ยานทพนะ แลาลอกถึงตรไนยังยังขยายอยู่กต่กาหนดลมหายใจหยุใจของส่นสงบจุดลงไปอาจจะเป็นเรื่องนี่จมาทางตัดสินสั่นไเลยพยายามฝึกิบัตเรื่องังสั่นหงกาองสั่นระบบสันอาหากลังสั่นงกาย่อ จนควร <c oughs> วันนั้นเป็นวันเย็นเย็นกหริสาขาดเป็นนันนี้พหเองัดเด็ดนอนายแรักอาหารจากนานสุสาน น, านายอนเข่านักศึาปรยัดตีหุ่้าก่อนมาขยายเมนื่อยเข่านัาประหยัด ุกโหยใถ้าตมาเป็นสี่ข้้าข้อเป็นี่้าข้อาธรรมเนี่ยเงียบเงียบรียว่าได้แต่มือเห็นได้องค์องท่านสมัยนั้นนะที่หนึ่งผมอยากนั้นตงไนี้หลังคาของพู้ใช้จาของเเราการตาลับตำนานากเสียง้อนสองพนหาร้ว่าปีมานี้ ยังไม่มีครทั่จะมีรัศมีเยวงานเหมือนพระพุทเจ้ายังไม่มีนานขนาดนี Would, ้ย like ังไม่มีผครที่จะเที่ยงถึงขั้วโลกเกิดนั่งในสิดาดาไปเห็นจึงเข่ใจเป็นเทวดาท่านน่าหยุดหมมาก็เลยเขาใจเป็นเทวดาอะไรนั่นเพนนั้น ขี่นใจไปพบความคนหนึ่งขอไปเกลียวยาแล้วแต่นอยาชาต่อยอ้ท่านแบบจำมือทำได้ยาชากอเป็นมือหน้าระเบวดมาเ็นหนึ่งเี่ยแรงนมันเอ๊ะสีนะฮะตัวการกำหนดเวาจ่ายไว้ในหน้าที่ัดทับของ่านระยากหา มันจะอ่อนนุ่มที่ไหนทันทายก็อ่แต่มันมีปดัดหนังธรรมดานิดหน่ะคือตประทับต้องท่านมันจะประชรูประทัพคือนั้นลงมาคิ่นประทัพไปทางคิดจะดันออกแปลนแมงอธิษฐานแบบเป็น ข <sparkling> ้างติดท่าในวันนี้เราจะนั่งประทัดดินเนี่อะไรมันจะเป็นอะไรไจปลอดปายมันเป็นใตามธรรมชาติของมันเพื่อไม่หวงขัดขันเมื่อใดใจยังเป็นผู้ที่ข์คนคนหลงธรรมดาอยู่อาการนั่งของเราจะไม่ยอมหยุดไร่ยอมหลับนอนไม่ยอม ลุกบดินนายอมคนไร้อาหารเหลียดเงือนนายตายมันจะเหลียดหงอยเลี้ยะไปเองจะดุกตางมันจะนั่นหลงนี่จีนจางอภิพลของท่านไอ้จีนไอ้จางแฉะไหนนักศิลป์ของฉันกว่าจะได้ตัดสู่หรือไหนเอายังไงอยากจก้เกล็ดในเี้ยนอย่างนั้นท่านท่านกินจ้งอย่างนั้น กานัางนาา่งใจนอนก็ท่านจะได้เจ็บขานหร่อแขทองอะไรอยู่นะถ้าคือการนอมนั้นเป็นกบพวกเรานั่งนอนเข้าลงไปเจ็บปวดหใจก็แต่าจหยดไปถึงสมัยจิตวิญญายมีการปลุกความใจ้ออย่างนั้นอย่างนเมื่อทางกลังที่างตาย ที่ดาพยายามาสามคนมาเหยื่ยุเหยื่อข้างกรงคให้ดำหลงไหลแรงเส่ลงมาเป็นสาวหยื่อเป็นนักหนามาท่าลายลต่างๆเสียใจให้พระองหลงไหลเือที่เหลือปัญหาทางบุคลาภิษาต่เอาไว้แบบวารกิ ทำมาพ like, ืฐานตใจมันปรุงออกใอย่างความสุขวามสบายดีเป so ็นะราอยู่ในปาสทว่าใว่างอะอยู่อย่างนั้นมีความสุความสบายอันนี้มาภาวนาตัดเวรตีแล้วมันมีอะริดี้จะทำทุกความลาบากในจิตถึงเลืนใจผ่านนะ จิดมันตึงคึงไปใหญ่นั้นอยากจะมาเลิกก็้าิะแต่เราจำใจมาพยายานมายนเสียตลาดหลักส้นบาทมาเพื่อจะแตะแรงห้าหมอกับคำเพื่อจะจะไปตัดผู้ดักหาทางตัดรูจิตเล็กดไปย่า่นี้มันเป็นความหนีไม่ควรแต่เราเปนนักผัด ทับเล่ารอลมต้นยาสีฝังอยู่ในใจจบไปหนันใปกาหนดลมหายใจถ่ายกำหนดลมหายใจออกหยุดยั้งในลงนเรื่องมาก่อนเกิดความทุกข์ผันตัวพยามานมาอย่งบรงเจ็บเราเห็นภาพแต่งรานอยู่ตามว่าตามมาต่างนไป คือจะเดินมาตาไไปกันทำทายวันวันตะเภมันเกลียดเกลียดจนเห่เกลียดหลันเกลียดไปถ้าตาจีนนั่งสมาธิเอามือตั้งสองต้งสองพัดกันไว แต่ความเปลีปวดไม่หก็จออกตแต่ท่านก็เมยย้ำอยเลนหายใจออกหายใจเข้าอยู่นั้นคนที่ตึดสิตใจจะลงเวียนได้ตอนจิใจงเวนได้มันจะหายความเจ็บปวดต่างๆแบบทานตำาแบบศกรากุฏฐานจะแบบแผ่นอาศัยองแพร่ใวัชพ ดูวยขนยอกไปเป็น응น้ำมม่สมุดกระดิ่ใหญ่จา่พยายมเน้หลไยลตายกันตนนั้นใมยขนของอย่างหือพวกนิ้แเท้เสื้อนี้อะไรมาตัดมาชิ้นตาใหญ่เขาเขียนอะไรนี่ตีจนเลือดภายในแต่สอนนตีโง่พอง แก่ละทางนอกแก่เนื้อผ้าหอดเด็ดเม็กันแต่นสุดรอวพนานจะใครรนอย่างนั้นยืนตั้งความเช่ัเป็นอย่างนั้นใครมีแผ่นดินนั้นจุดใจต้องทนหนักเหมือนแผ่นดินมันจะเป็นอย่างไรเป็นไปใครใจใคร้เ่องนมรแผ่นดินเล จะอยู i, ่อย่างไรจะอยู่แบบที่อย่างนั้นถ้าจะฝดกแบบั้นทำยงนห้บิ่งไปแใจตั้งนั่นความขาดความเพียนในการทำแต่านชีวิตายในขนาดนั้นเป็นจิต้องขันลงเรียนได้ลองจับหาประสบสิไปจิดมนในนักเดียวเรื่องแบบเรื่องดทัรือเรื่องของขับิ่เต เราจุดใจหมดังไวามแบบนี้เป็นอุปจาระใส่ใรู้ใจ